เตีมหลอดโอเรียงจ้าโอเรียงนังทะพิมครับนงางทพิมครับเขาโคดจาาเขาโคดนังทะพิมครับนงางทะพิมครับลูกพีช